ธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเซนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่44เรื่องเรื่องสอนเรื่องได้มีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งในหมู่อมมาร และมหาอัมมาตแห่งอโยธยาว่าพระราชาผู้เป็นที่เคารพรักของตนนั้นยังไม่มีรัชทายาทสืบสันติวงศ์แต่เนื่องจากในระยะการที่มาแล้วบ้านเมืองยังสับสนด้วยเรื่องศึกสงครามจึงไม่มีใครกล้ากราบทูลขอร้องในเรื่องนี้ครั้นบัตนี้มีความสงบโดยทั่วไปแล้วภัยที่ควรระวงังใดๆก็หมดไปแล้ว สมควรจะได้กราบทูลให้มีพระราชดําริเรื่องราชทายาทหรือกล่าวโดยตรงก็คือการอภิเสกสมรสคณะอํามาตราชบริพาน์จึงปรึกษากันมอบให้มหาอํามาตผู้ใหญ่สีคนเป็นผู้นําเรื่องเข้ากราบบังคมทูลเป็นการภายในพระเจ้าสุรเสนาทรงอนุญาตให้คณะอํามาตเข้าเฝ้าในค่ําวันหนึ่งตามที่ได้ติดต่อกับราชบุรุษ เพื่อขอเฝ้าพิเศษเมื่อได้เข้าสู่พระชมนเทียนและถวายบังคมแล้วมหาอมาตผู้เป็นหัวหน้าจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข่าบัดนี้อโยธยามหานครได้กลายเป็นราชธานียหญยิ่งทั้งทางกำลังทัพและกำลังศีลธรรมในเขตโกศลภาคใต้ข่าวความเจริญรุ่งเรืองและข่าวชัยชนะในการต่อสู้ศัตรูของ อ, อยุธยาเป็นเรื่อง ที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์อยู่ทั่วไปข้าแต่พระราชาธิบดีบัดนี้อโยธยาก็หมดศึกสงครามแล้วทั้งยังได้เจริญสัมพันธมตรีกับประเทศใกล้เคียงทั้งหลายเรียบร้อยแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายผู้จงรักภักดีพร้อมด้วยอามาต ร, ราชบริพานทั่วไปเห็นเป็นการละอันสมควรที่จะกราบทูลพระกรุณาเพื่อทรงปรโปรดพิจารณา เรื่องการทรงอภิเศกสมรสเพื่อมีรัชทายาิสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นสีเจ้าอยุธ ย, ยามหานครต่อไปข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอเฝ้ากราบทูลในคำวันนี้ด้วยข้อปรารพดดังกราบบังคมทูลแล้ว มหาอ ม, มาตย์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอขอบใจในความจงรักภักดีและความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายพระบิดาและข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่ถึงเรื่องที่ท่านทั้งหลายปรารถและเห็นพ้องกันว่าถ้าจะตั้งหุณสตรีใดๆในตำแหน่งอัคารมหเหสีก็ใครที่จะให้ได้ประโยชน์สองประการคือเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักอธยาสัยใจคอมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนตนประการแรกส่วนประการที่สองคือประโยชน์ส่วนรวมได้แก่การที่กุลสตรีผู้นั้นอาจช่วยให้เกิดความเข้าใจดีระหว่างคนทุกชั้นมหาอัมมาดผู้เจริญการช่วยให้เกิดความเข้าใจดีเป็นไฉนะแม้ข้าพเจ้าจะเกิดในสกุลกษัตริย์และได้ครอบครองราชสมบัติแต่ก็พอใจที่จะเห็นความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่มหาชนต่างชั้นวรณะ ต้องการที่จะเห็นชนทุกชั้นปรารถนาดีมีเมตกิตต่อกันไม่เบียดเบียนกันและต่างคนต่างสำนึกว่าจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินยัยเปิดโอกาสให้คนทุกชั้นเข้ามาพบกันได้ในพระธรรมวินัยนี้โดยมีสิทธิเท่าเทียมกันนอกจากนั้นยังทรงแสดงธรรมเรื่องทิศหเปรียบบุญคนประเภทต่าง ที่เกี่ยวข้องกันเสมือนหนึ่งท erm ิศที Wij ่พวกพราหมณ์พึงแสดงคารวะส่วนการคารวะทิศในทางพระพุทธศาสนาเป็นเพียงการปฏิบัติชอบต่อบุคคลทุกชั้นทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในลักษณะถ้อยทีท้อยอาศัยปฏิบัติต่อกันเช่นข้อปฏิบัติชอบระหว่างมารดาบิดากับบุตริดาและนายจ้างกับลูกจ้างเป็นต้น มหาอมาตย์ผู้เจริญในสมัยที่เดินทางในขบวนเกวียนกับพระบิดาครัพระเจ้าได้พบครอบครัวมหาอมาตย์ผู้หนึ่งผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องที่6เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ทาสและกรรมกรในครอบครัวนั้นมีความรู้สึกในหัวหน้าครอบครัวเสมือนหนึ่งมารดาบิดาเพราะผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวปฏิบัติต่อทาสและกรรมกรดังยากให้ทํางานพอเหมาะแจงกําลังปล่อยให้หยุดงาน ในโอกาสอันควรมีอาหารใดๆอันมีรสก็แจกให้ปันและรู้จักให้รางวัลในเมื่อสมควรให้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาทุระดูแลบุคคลในครอบครัวนั้นรวมทั้งทาตและกรรมกรจึงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียวรักใคร่เป็นอันดีมหาอมาตยผู้เจริญถ้าในอยยธยามหานครนี้จะได้มีการส่งเสริมความเข้าใจดีความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนทุกชั้น ดังที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการดียิ่งเป็นสวัสดิมงคลที่ไม่ต้องหาจากสิ่งภายนอกมหาอมาตผู้เจริญรพระพเจ้าคิดว่าถ้าจะมีการตั้งสตรีที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักให้ดํารงตําแหน่งอัครมเหสีรพระพเจ้าก็คิดว่าจันทรายนีบุตรีของมหาอมาตจันทรายนะแห่งควแวนมคตเป็นผู้สมควร แลเป็นผู้อาจช่วยข้าพเจ้าได้ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจดีระหว่างคนต่างชั้นดังกล่าวแล้วอันหนึ่งเนื่องจากในรับการอบรมคุณธรรมด้วยดีข้าพเจ้าก็เชื่อว่าจันทรายนีจะไม่ใช่เพียงผู้มารงตําแหน่งอัครมเหสีในยามของราชนั้นแม้เมื่อข้าพเจ้ามีอันเป็นไปกลายเป็นคนเขินใจต้องบุกป่าฝ่าดงไปตามประสาคุณยากจันทรายนี ก็ยังเป็นคนเดิมที่พร้อมจะร่วมความทุกข์ยากด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าจะมีการอภิเษกกุลสตรีใดร่วมกับข้าพเจ้ากุลสตรีนั้นก็น่าจะเป็นจันทรายญีบุตรีแห่งสหายพระบิดาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นที่พอใจแห่งพระบิดาและตัวข้าพเจ้าเอง มหาอ ม, มาตถ้จเจริญแต่การอภิเสกสมรสจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะละอโยทยาไปสู่ที่อื่นภายหลังที่ได้คอยสะดับตรับฟังข่าวเรื่องการพระนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วซึ่งคงจะอีกไม่กี่วันเพราะตามกำหนดว่าในวันเพ็ญเดือนเวสาขาแล้วบัดนี้ไม่เกินสิบวันก็จะมาถึงการกำหนด เสมือนหนึ่งสายฟ้าฟาดลงมาในที่ประชุมนั้นมหาอัมม่าทั้งสี่ตะลึงงนันหน้าซีดสลรถเมื่อได้สดับข่าวว่าจะเสด็จลาจากอายุธยามหาอัมม่าผู้เป็นหัวหน้ารีบกราบทูลขึ้นอย่างละล่ำละ ล, ะลักว่าข้าแต่พระราชาธิบปดีเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข้าที่พระองค์จะทรงลาจากอายุธยาไปด้วยประการใดๆที่ข้าพระองค์กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้นั้นก็เพราะเห็นว่าชาวอยุธยานี้เองจะก่อการเจลาจนทุกอย่างเพื่อขัดขวางมิให้เสด็จจากไปได้แต่ข้าพระองค์ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเมื่อได้ทรงประจักษ์ใจในน้ำใจจงรักภักดีของชาวอยุธยาแล้วพระองค์คงจะเสด็จจากไปไม่ได้ก็แต่ว่าเหตุที่ทำให้มีพระราชดำริจจลาจากอยยธยานั้นคืออะไรข้าพระองค์ทั้งหลาย พระราชทานพระบรมราชาโองการเพื่อทราบนาทีนี้ด้วยมหาอมาตยผู้เจริญถ้าคาราพรเจ้าจากไปด้วยความมักใจไฟสูงก็น่าจะเป็นข้อควรคัดค้านแต่คาราพรเจ้าจากไปเพื่อทําบ้านเมืองที่มีสภาพคล้ายป่าให้ดีขึ้นจึงมีใช่ไปเพื่อเสวยความสุขหากเพื่อทํางานให้แจกมหาชนผู้อยู่ในแวดแหวนเดิมของปดาจึงน่าจะมีผู้เห็นใจในการจากไปทั้งนี้ มหาอมาตย์ผู้เจริญท่านทั้งหลายคงได้ทราบแล้วว่าพระบิดาคระพระเจ้าเป็นราชโอรสผู้มีสิทธิได้ครองราชสมบัติในกรุง ม, มัทุราราชธานีแห่งแควนสุรเสนะแต่ก็ส่งสละให้พระอนุชาต่างมันดาขึ้นครองแทนแล้วเสด็จไปในที่ต่างๆตามลำพังพระองค์แม้ตัวคระพระเจ้าเองที่ชื่อว่าสุรเสนะก็เพราะพระบิดามีความประสงค์ ให้เป็นอนุศน์แห่งแว่นแควนดั้งเดิมพระอนุชาถูกแย่งราชสมบัติและพระเจ้าจันทประโชดส่งกองทัพเข้ายึดไว้ได้เมื่อสิ้นพระเจ้าจันทประโชดอัมมาศราชบริพานจึงแย่งราชสมบัติคืนและส่งคนมาเชิญพระบิดาหรือข้าพเจ้าให้ไปช่วยกู้บ้านเมืองซึ่งสุดโทรมเกือบจะมีสภาพเป็นป่าให้ดีขึ้นท่านทั้งหลายย่อมทราบดีแล้วว่าข้าพเจ้าจะแยก กับพระบิดาไม่ได้การไปมัธุรานั้นจะไปในฐานะใดๆก็ตามข้าพเจ้าก็จะติดตามพระชบิดาไปรับใช้สนองพระคุณท่านจนถึงที่สุดเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนของพระบิดาอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือแย่ไขด่วนก็จำเป็นที่จะต้องไปช่วยท่านทั้งหลายคงเห็นความจำเป็นร่วมกับข้าพเจ้าในข้อนี้และควรจะได้ชี้แจง ให้อำมาต์ราชบริพารอื่นๆใ น, ๆในทราบทั่วกันส่วนการปกครองอยุธยาต่อไปนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจะให้มีสภาหมหาอัมม่าที่ปรึกษาราชการแผ่นดินร่วมกันเป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรมเช่นที่กระทํากันในกรุงปาวากุสินาราและกรุงไผ่าลีจะต่างกันเล็กน้อยก็เพียงในกรุงต่างๆนั้นเป็นคณะกษัตริย์ปกครองข้าแต่พระราชธิบดีมหาอัมม่าทผู้หนึ่งกราบทูล ข้าพระองค์เห็นว่ามีทางผ่อนผันอย่างอื่นที่ไม่ต้องเสด็จจากอยุธยานั้นคือการส่งช่างและอํามัดผู้ชำนาญการไปยังมัทุราแบบเดียวกับที่ส่งไปยังกรุงกัปปิลละข้าพระองค์เชื่อว่าถ้าเป็นพระเจ้ประสงค์ให้ช่วยกรุงมัทุราแล้วจะมีคนสมัครไปช่วยงานโดยไม่เอ็นใจเน็ดเหนื่อยเพียงแต่ขอให้พระองค์ได้ประทับอยู่ในอยุธยาต่อไปข้าพระองค์เชื่อว่าผู้ที่คุ้นกับงานสร้างอยุธยา มาแล้วจะสร้างมัทธุราให้กลายเป็นมหานครขึ้นมาได้ในเวลาอันสัน้นมหาอมาตผู้เจริญข้าพเจ้าขอขอบใจอย่างยิ่งที่ได้คําแนะนําด้วยความปรารถนาดีแต่ข้อที่จะต้องคิดยังมีอยู่มากกว่านั้นมหาชนชาวมัทธุรากําลังตั้งตาคอยพระบิดาและข้าพระเจ้าปัญหาเรื่องที่กองทัพของอุเฉนีอาจจะยกมาลุกรานเพื่อรักษาอํานาจเดิมไว้ แม้สิ้นพระเจ้าจันทนประโชดแล้วผู้ที่สืบพระาชสมบัติต่อไปอาจทีการตอบแทนการที่มหาอมาตยกรุงอุเชนีถูกฆ่าตายก็ได้อันหนึ่งพระเจ้าอุเทนผู้เป็นราชบุตรเคยของพระเจ้าจันทนประโชดอาจให้ความช่วยเหลือโดยการส่งกำลังของกองโกสัมพีสมทบตับกองทัพกรุงอุเชนีอีกแรงหนึ่งศึกชิงเมืองมัธุราก็จะหนักยิ่งกว่าที่อยุธยาเคยผจญมาแล้ว เราจะทิ้งมัธุราไว้ตามลำพังได้อย่างไรข้าแต่สมุติเทพข้าบระงค์เห็นว่าเป็นเรื่องแจ้ไขได้เรื่องมหาชนชาวมัธุราคอยรอรับเสด็จนั้นนับว่าไม่สำคัญอะไรเลยพระองค์และพระิบิดาอาเสด็จเยี่ยมและสั่งการให้จัดรูปการปกครองโดยรูปใดก็ได้สุดแต่จะทรงพิจารณาเห็นสมควรส่วนผู้ชนานาญการและช่างทั้งหลาย อาจส่งไปช่วยจากอายยธยาเท่าไหร่ก็ได้ในข้อที่เกี่ยวกับการศึกสงครามนั้นเมื่ออยยธยามีสัมพันธมตรีกับกัมพิลละและชตราบดีสามทัพของสามพระนครก็ช่วยกันป้องกันมตุราจากการรุกราณของอุเชนีและโกสัมพีรวมกันได้หรือยิ่งกว่านั้นเพียงลำพังที่ส่งสั่งการรบอยู่ณอายุธยากองทัพของอยุธยาก็าจะจัดการป้องกันมตุราได้โดยไม่ต้องลาบาก ถึงกับเสด็จไปกรุงมัทุราเลยขออย่างเดียวแต่ให้ครองราชในอยุธยาสืบไปแล้วอยุธยาจะรับภาระเรื่องกรุงมัทุราจะถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องไม่ห่างไกลกันก็จะจัดการค ม, มนาคมให้ดีถึงขนาดไปมาถึงกันได้ในเวลาไม่นานมหาอมาตยผู้เจริญจะไม่เป็นการวุ่นวายและส่อความละโมบนักหรือในการที่กษัตริย์องค์เดียวจะปกครองแว่นแคว้น ถึงสองแห่งในขณะเดียวกันข้าแต่พระราชาธิบดีพระองค์ไม่ได้เสวยราชสมบัติด้วยการรุกรานแต่มีผู้ถวายราชสมบัติเองกลับจะมีพระเจียดปรากฏในทิศทั้งหลายอีกด้วยซ้มบ้าด้วยการตั้งอยู่ในคุณธรรมอันประเสริฐใครๆก็าพากันมากราบทูลเชิญพระเจ้าสุรสนณให้ครองราชสมบัติในวั่นควญต่างๆที่แม้จะห่างไกลกันข้าแต่พระราชาธิบดี เรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตการพระมาหากษัตริย์ผู้ครองราชในขณะเดียวกันทั่วทุกแว่นแควนมาชนบททั้ง1 6อยู่ใต้พระชมนาจของพระมาหากษัตริย์พระองค์นั้นฉไ น, นการครองราชในสองพระนครจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปถึงกับถูกตำหนิข้าพระองค์เห็นเป็นพระเีตดและเป็นตัวอย่างแห่งการสอนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีโดยไม่ต้องเอ่ยปากสอนด้วยซ้า มหาอัมมา์ผู้เจริญขอให้เป็นอันระงับข้อตกลงใดๆไม่เพียงนี้ก่อนเพราะเรื่องทั้งหลายเกิดขึ้นซับซ้อนกันจนไม่ทราบว่าจะจัดการอะไรก่อนหลังและ จ, ะจัดการอย่างไรข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านผู้ปรารถนาดีอีกครั้งหนึ่งและขอให้ตั้งความมั่นใจว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่มหาชนโดยส่วนรวม พระเจ้าสุรเสนาตรัสสั่งดังนั้นแล้วมหาอมาตย์ก็กราบถวายบังคมลาออกไปด้วยความหนักใจในข่าวใหม่คือการที่จะเสด็จจากอโยธยาไปด้วยความจําเป็นรุ่งขึ้นทนิยะได้ให้คณะอมาตย์และมหาอมาตย์แห่งกรุงมัทุลาเข้าเฝ้าพระเจ้าสุรเสนะและทรงชี้แจงให้บุคคลเหล่านั้นบบาใจในการที่ทั้งสองพระองค์เป็นอันตรลงรับจะช่วยกรุงมัทุลา ให้ปลอดภัยจากศัตรูภายนอกและช่วยการพื้นฟูบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้อยยธยาส่วนการที่จะเจอไปมัทุราเมื่อไร่และอย่างไรและจะจัดการปกครองอย่างไรจะได้สั่งการปลายภายหลังวันเพ็นเดือนเวสาขะพร้อมกันนั้นทนิยะก็สั่งให้จัดระเบียบชั่วคราวในคว้นมัทุราและตำบลสาคัญที่จะพึงส่งทหารไปคุมไว เพื่อป้องกันกองทัพอุเชนีโดยไม่จําเป็นต้องใช้กําลังมากเพราะมีพืชเขากัน้นและมีทางแคบซึ่งกําลังทหารเพียง500ก็สามารถป้องกันกองทัพใหญ่ได้นานวันและข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกว่ากองทัพอุเชนีจะยกขึ้นไปถึงก็จินเวลาเดือนเศษทางอยุธยาจะจัดการป้องกันให้อีกส่วนหนึ่งด้วยและการส่งข่าวต่างๆก็ส่งเฉพาะเรื่องของแควนสุรเสนาเท่านั้น ส่วนเรื่องของแผนอื่นที่จะคิดการอย่างไรกับกรุงมัุราไม่ต้องแจ้งมาเพราะทางอายุธยาย่อมรู้เรื่องดีจากผู้ที่ส่งข่าวในแคว้นต่างๆอยู่แล้วโดยปกติมหาอมาตผู้ชรามีความชื่นบานกราบสองกษัตริย์แล้วก็นำคณะเดินทางกลับกรุงมัทุราแต่เวลาบ่ายวันนั้น ข่าวเรื่องพระเจ้าสุรเสนาอาจจะเสด็จจากอยยธยาไปแพร่ไปในหมู่มหาอมาต ร, ราชบริพารและมหาชนทั่วไปโดยรวดเร็วเป็นข่าวที่ก่อความปั่นป่วนตื่นเต้นและฝืนใจของผู้ที่มีความจงรักภักดีต่างก็ไม่เป็นอันทําอะไรพากันไปประชุมเนืองแน่นที่พระอนหลวงใกล้พระชมนทียนคนค้าและคนงานก็พักการค้าและการทางานร่วมกันไปชุมนุมในที่นั้น ด้วยทุกคนแสดงความกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะต่างคนก็เห็นกันอยู่ว่าอายุธยาเป็นบ้านเป็นเมืองมีความเจริญทุกๆ ท, ทางมีเกียรติฟุ้งไปในานานาชนบทราชธานีก็เพราะการปกครองของพระเจ้าสุรเสนะแม้การศึกสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็ปรากฏว่าอายุธยาได้นชนะโดยไม่ต้องเสียทหารหรือผู้คนถ้าจะยอมให้ผู้มีพระคุณแจอยุธยาจากไป ตามพระธยาใสมักน้อยและมุ่งบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หาทางผ่อนปรนอย่างอื่นก็จะเป็นเสมือนหนึ่งอายุธยานี้ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งประเสริฐที่มีอยู่ฉะนั้นเมื่อมีคนหลายคนยืนขึ้นพูดในที่สูงชักชวนให้ช่วยกันขัดขวางทุกวิธีทางเสียงโห่ร้องทางน้ำตาสนับสนุนจึงดังขึ้นอย่างแรงประงนงว่าพระลานหลวงจะถลม่ม บางคนประกาศจ์อาหารบางคนจะนอนขวางทางมีให้ราชรถผ่านออกนอกประตูเมืองบางคนก็ร้องไห้ทั้งที่ยังไม่มีข่าวแน่ว่าจะเสด็จไปจริงความเงียบเหงาเศร้าสลดความวิตกกงังวลได้แพ่ไปทั่วอายุทยาเป็นความรู้สึกจริงใจที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาบรรดาอำมาตย์ราชบริพานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในราชกิต ได้ประชุมกันอย่างรีบด่วนทุกคนต่างยืนยันให้รีบกราบทูลคัดค้านและหาทางผ่อนผันอย่างอื่นเพื่อไม่ให้ต้องสละราชสมบัติไปมิฉะนั้นอโยธยาคงจะเกิดความปั่นป่วนเจลาจนเพราะการคัดค้านและความจงรักภักดีของมหาชนพระเจ้าสุรเสนะทรงรับทราบข่าวความเป็นไปในอโยธยาทั้งที่เกี่ยวกับคณะอธรรและมหาชน โดยพระอาการดุษณีมีได้ตรัสสั่งการประการใด